ก็เป็นงานศพที่มีความสุขนะมันไม่ใช่ศพคนทั่วๆไปศพของนักปฏิบัติพวกเราจํานวนมากที่มาร่วมงานกันนี้ก็เป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินะั้นเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะความแก่ความเจ็บความตายเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะการพลาดลาดจากสิ่งที่รักหรือการประสบสิ่งที่ไม่รัก ใจของเราไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงถ้าเราได้ฝึกฝนตัวเองมาพอสมควรแล้วแม่ชีพรธรรมก็ได้บวชมานานนะทําประโยชน์มาพอสมควรและได้ปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองด้วยนะได้ชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติ ด, ด้วยว่ เ, เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ย่าชีวิต แบบนี้นะเป็นชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้พวกเราการที่แม่ชีเขาตายเขาก็ตายให้เราดูก็เป็นธรรมะถ้าใจเราเข้าใจถึงธรรมะเราก็ถ้าเราเข้าใจเองนะเราจะตายเราก็ไม่หวั่นไหวแล้วเราเข้าใจธรรมะแล้วนนคนที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันด้วยตายเราก็ไม่หวั่นไหว ใจที่มีธรรมะนะันคือใจที่เห็นความจริงของชีวิตความจริงที่ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวถ้าเรายอมรับได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจมันจะไม่กระเพื่อมบั่นไสในการที่เรามาหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมาพาจิตให้ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต จิตใจโดยธรรมชาติมีธรรมชาติที่จะไหลลงต่ำตลอดเวลานั้นต้องพามันฝึกมันหัดพามันปฏิบัติไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนถึงจยะยกระดับจิตใจขึ้นไปได้จนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงการรู้จริงเห็นจริงเรียกว่ามีปัญญาพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลไม่ใช่ถึงด้วยสมาธิถึงด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะมีโดยไม่มีศีลและสมาธิรองรับนะเป็นไปไม่ไดนะ้งั้นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะต้องศึกษามันเลยมีอยู่สามเรื่องเรื่องแรกเรียกว่าศีลสิกขานะเรื่องที่สองคือจิตสิกขาเรื่องที่สามถึงจะถึงขั้นปัญญาสิกขา อยู่ๆไม่มีศีลจะไปเจริญปัญญาทำไม่ได้จะไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ถูกต้องไปเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงเั้นพวกเราจำนวนมากนะที่ลงทุนลงแรงปฏิบัติแล้วมันไม่เห็นผลมันลดละกิเลสไม่ได้สลัดความทุกข์ออกจากจิตใจไม่ได้คลายความยึดถือในรูปนามกายใจไม่ได้เพราะปฏิบัติไม่ถูกอาก็จะเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิใช้ไม่ได้ อีกพวกหนึ่งนะจะทำแต่สมาธิไม่เจริญปัญญาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องศีลไม่ใช่แค่ว่ามาขอจากพระนะศีลมันเป็นความตั้งใจเป็นตัวเจตนาของเรานะเราต้องเจตนาเราต้องตั้งใจว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาของเราคนที่มีศีลนะใจมันจะมีธรรมะขึ้นมา อย่างเรามีศีลข้อแรกนะเราไม่ฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตอะไรเนี่ยเรารักษาข้อนี้ได้เข้มงวดนะแต่ใจของเราจะเกิดธรรมะมันมีบา ร, รมนะีเกิดเมตตาบา ร, รมีขึ้นมานะสะสมเป็นบา ร, รมีที่จะเป็นกำลังให้เราข้ามพบข้ามชาติไปเราถือศีลเราไม่รักไม่ขโมยของใครนะนะเราก็รู้จักต่อไปนะมันพัฒนาขึ้นไปมันรู้จักให้ งั้นไม่เอาของคนอื่นมันก็ดีนะแต่ต่อไปมันพัฒนาไปถึงขั้นให้เขาไดนะ้นี่มันจะเป็นฐานนับบารมีขึ้นมาการที่เราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะนานไปมันจะเกิดบารมีตัวหนึ่งชื่อเนคขมมาบารมนะีการที่เรารักษาศีลไม่โกหกหลอกลวงตลบตะแรงนะจะได้สัจจะบารมนะีการที่เราไม่ติดสุรายาเสพติดอะไรเพื่อ น, นี้จะได้สตินะ พัฒนาสติสามพปชัญญะขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นบาทเป็นฐานเพื่อการเจริญปัญญาถ้าไม่มีสติเจริญปัญญาไม่ได้งั้นพวกเราต้องรู้จักคุณค่าของศีลถ้ามีศีลก็มีธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมศีนลนอกจากจะทำให้เราได้บา ร, รมีหลายๆตัวขึ้นมาแล้วศนะีลยังช่วยเราให้มีความสงบของจิตใจคนที่ มีความเมตตากรุณานะจิตใจสงบมากกว่าคนที่คิดทำร้ายคนอื่นคนที่รู้จักใหนะ้จิตใจมีความสงบมีความสุขมากกว่าคนที่คิดจะเอาของคนอื่นคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองสงบกว่าพวกเจ้าชู้เรียราดนะคนที่พูดความจริงนะจิตใจสงบกว่าพวกโกวหกหลอกหลวงนะตลบตะแหลงเพราะนั้นฟุ้งซ่านนะคนที่ไม่ผิดสีลห้าข้อหนะ้ากินเหล้าเมายาอนะไรนึง เขาก็ดีนะจะได้ความรู้สึกตัวง่ายธรรมดาคนในโลกไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วล่ะจะหลงตลอดเวลาในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยนับตัวได้เลยแทบไม่มีมีแต่คนหลงเห็นรูปก็หลงไปดูนะได้ยินเสียงก็หลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจลงมือปฏิบัติธรรมก็หลงไปเพ่งใจมีแต่ความหลงนะ งั้นเราค่อยๆพัฒนาพอเรามีสติขึ้นมาเนะี่ยจิตใจสงบง่ายถ้าไม่มีสตินะฝึกจิตให้สงบยากมากเลยถ้ามีสติจริงๆง่ายมากเลยที่จะให้จิตใจเรามีความสงบขึ้นมีสมาธิขึ้นมาแค่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านหรือรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์นะนิวรณ์จะดับอัตโนมัติเพราะนิวรณ์จะเกิดร่วมแั่สติไม่ได้เลกิเลสเน่เกิดร่วมแั่สติไม่ได้เลย งั้แค่เรารู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านเนี่ยจิตก็สงบลนะงั้นศีลห้านะจะช่วยทําให้เราได้สมาธิได้ง่ายนะงั้นพวกเราต้องฝึกสมาธิเมื่อเราฝึกนะทีแรกก็ต้องตั้งใจงดเว้นการทําบาปอกุศลตั้งใจเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปขอกับพระการมาขอศีลกับพระมันคล้ายๆการปฏิญาณตัวมีพยานรู้เห็นเวลาจะทําผิดศีลจะได้ละอายใจว่าเคยไปบอกกับพระไว้ แต่ถ้าเราไม่ละอายใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะเราตั้งใจเอาเองก็ได้นะตื่นเช้าขึ้นมาตั้งใจเลยเราจะไม่ทําผิดศีลห้าศีลที่สำคัญที่สุดเลยนะคือศีลหนะในวงมรรคเราไปดูให้ดีนะจะเป็นเรื่องของศีลห้าสันนะสามมาวาจานะก็ศีลข้อ 4. สี่สัมมากัมมันตะศีลข้อ 1, 2, 3นะสามใช่มสัมมาสตินี่มันมาเชื่อมโยงอยู่กับศีลข้อหนะ นั้นมันจะเป็นเรื่องของศีลห้านี่แหละสาคัญที่สุดนะงั้นตั้งออกตั้งใจเอาแค่นี้แหละนะส่วนเป็นพระเป็นชีเป็นสามนเณรีเป็นทิกษุนีอะไรนะก็รักษาตามหลักเกณฑนะ์ไม่ไม่เท่ากันนะต้องรักษาต้องเข้มงวดเพื่อให้จิตของเรานะมันมีพลังมีบุญบารมีขึ้นมานะเราก็มีความสุขมีความสงบขึ้นมาตั้งใจไว้ตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจว่า จะรักษาศีลกลางวันก่อนจะกินข้าวก็ตั้งใจจะรักษาศีลเผื่อสำลักข้าวตายนะจะ ไ, ได้ตายแบบมีศีลตอนเย็นก็ตั้งใจรักษานะก่อนนอนก็ตั้งใจรักษาเผื่อตายกลางคืนนะตั้งใจเรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆว่าเราจะมีศีลห้าเวลาจะทําผิดมันจะได้ละอายใจได้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆเบื้องต้นเรารักษาศีลด้วยความเจตนางดเว้นไปก่อนต่อไปเราค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมานะคอยรู้เท่าทัน กิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันทกิเลสเลยเกิดที่จิตคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันอย่างนั้นได้นะเราจะรักษาศีลได้ง่ายเป็นศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นเองอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันปั๊บในความโกรธ ด, ดับนะความโกรธจะครอบงําใจไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีล5ข้อเพราะความโกรธเพราะโทสะมีโทสะตัวเดียวทําผิดศีลห้าได้หมดนะไม่ใช่แค่ว่าไปฆ่าไปตีเขาหรอกไปกแกล้งลักทรัพย์เขาก็ได้ แกล้งไปเป็นชู้กับเมียเขาก็ได้นะทำด้วยความโกรธเนี่ยนะแกล้งไปชมมันนะไม่ใช่ด่าด้วยซ้าไปแกล้งชีเยอเข้าไปให้เสียผู้เสียคนไปเลยทำด้วยความโกรธ ด, ด้วยความเกลียดก็ได้น ห, หรือเจตใจมีโทสะเศร้าหมองก็ไปกินเหล้าก็ทาได้อีกเนี่ยมีราคะก็ทำผิดศีลห้าไดนะ้มีโมหะก็ทำผิดศีลห้าไดนะ้งั้นกิเลสตัวเดียวนะ่ะพาเราทำผิดศีลห้าได้นะ ให้เรามีสติคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันบ่อยๆใครๆก็รู้ได้นะไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรนักหนาหรอกพวกเรารู้จักความโกรธไหมโกรธเป็นใช่ไหมใครไม่เคยโกรธไม่มีหรอกโกรธก็เป็นโลบก็เป็นใช่ไหมฟุ้งซ่านก็เป็นหดหู่ก็เป็นดีใจเสียใจนะเป็นหมดอนะ่ะหน้าที่เราตอนนี้ก็แค่คอยรู้ทันกิเลสอะไรกำลังเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันไว้นะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลย เพราะกิเลสมันดับเราจะไม่ทำผิดศีล น, นะคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตเท่านั้นเองนะงั้นเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะตั้งใจไว้ก่อนต่อไปก็มาพัฒนาสติคอยรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดที่จิตที่ใจของเราจนกระทั่งเราเกิดศีลอัตโนมัติไม่ได้เจตนารักษาศีลศีลมาเองนะไม่ต้องไปอาราธนาไม่ต้องไปขอจากใครทั้งสิ้นเลย ถัดจากนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราต่อไปนะบทเรียนที่2ของพระพุทธเจ้านะชื่ออาทิจิตสิกขาพวกเราบางทีมักง่ายนะเราชอบพูดศีนสมาธิปัญญาศีน ส, สมาธิปัญญาเป็นผลล้วละเหตุของมันนะคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะถ้าไม่มีจิตสิกขานะก็คือไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตที่จะเจริญปัญญาจิตจะเจริญปัญญาไม่ได้จริงนะหลายคนบอกว่าไม่สนใจเรื่องจิต จะดูกายอันนี้เข้าใจผิดไม่ว่าจะดูกายหรือจะดูอะไรก็ตามที่เป็นการเจริญปัญญานะในรูปนามขัน5ยาตนาหกธาตุสิอินทรีย์22อะไรเงี้ยไม่ว่าจะดูอะไรจิตต้องมีคุณภาพงั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีคุณภาพซะก่อนนะไม่งั้นเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมนี่มันจะทำไม่ได้จริงจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันมี2ลักษณะคือสมาธิเนี่ยมันมี2ลักษณะ สมาธิชนิดแรกเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเพราะท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์คือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะภาษาบาลีเขาเรียกว่าอารามณูปนิชฌานจิตมันจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราดูท้องผองยุบนะจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ท้อง เวลาเราเดินจงกรมยกเทา้าย่างเทา้าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่เทา้าจิตมันเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะเป็นสมถะอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็เอาไว้ทํางานทางโลกมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนัเป็นสมาธิชั้นเลิศของพระพุทธเจ้าชื่อว่าลักขณูปนิชานสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดนะทั้งๆ ท, ท, ที่จําเป็นวิเศษวิโสที่สุดเลยแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีคนเรียนรู้ เวลาที่พวกเราคิดถึงการทำสมาธิเนี่ยเราจะเอาจิตไปจับอยู่ที่อารมณ์มันเดียวเราไม่รู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาลตอนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะยังเด็กอยู่บางคนก็ว่าสาขวบบางคนว่าเจขวบในตำราไม่ชัดเจนว่ากี่ขวบมีพิธีแรกหนักหวันพวกพี่เลี้ยงเนี่ยเอาท่านเวทงไว้ที่ใต้ต้นวาแล้วพวกพี่เลี้ยงเนี่ยไปดูเพื่อเจ้าสุดโทธนะไถนา เจ้าชายศรีท่าโยงเดียวนะลุกขึ้นนั่งสมาธิธรมอนาปานสติในตำราบอกได้ปฐมฌานนะแล้วต่อมาท่านก็ลืมสมาธิอย่างนี้ไปตอนที่ท่านออกบวชท่านก็ไปเรียนวิชาทำสมาธิกระลือสีเรียนจากอารารดาบทแนะได้ฌานที่7เรียนจากอุทกักดาบทรามบุตรได้ฌานที่8ปพอได้ฌานที่7จฌานที่8เนี่ยจะดแปดมันก็ต้องผ่านหนึ่งไปไหมท่านสรุปเลยว่าไม่ใช่ทาง สมาธิอย่างนี้ไม่ใช่ทางท่านเลิกเลยนะถ้าไปทรมานายทรมานอยู่หลายปนะีถึงวันหนึ่งเนี่ยท่านนึกถึงทางสายกลางท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้แต่สมาธิต้องระวังนะมันมี2 อ, อย่างนะสมาธิแบบลือสีชีไพ a นะ่จะจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวพอเราออกจากสมาธิกิเลสมันจะแรงกว่าเก่าอีกต้องระมัดระวังแต่ว่ามีประโยชน์ไหมมีจิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรง ถ้าเราจเจริญตัญญารวดไปเลยไม่ได้ให้จิตได้พักผ่อนนะจิตจะแห้งแรงมากเลยจะเหน็ดเหนื่อยลําบากตรากตรำมากนั้นถ้าทําความสงบได้ก็ทําแต่ต้องรู้ว่าเราทําความสงบอยู่นะเจ้าชายสิทธัตถะท่านนึกถึงนะพระโพธิสัตว์ท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้นะีสมาธิตอนเด็กๆไม่ใช่สมาธิที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่มันเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสมาธิอย่างนี้ถ้าพวกเราจะหัดนะ ควรจะหัดก่อนที่จะไปทําวิปัสสนาไม่ว่าจะด้วยกรรมฐานอะไรนะจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมแล้วจะทํามีปัสสนาด้วยกรรมฐานอะไรก็ตามต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ซะก่อนถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่ามาคุยเลยว่าจะทําวิปัสสนาได้นะไม่มีทางเลยเพราะจิตจะไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียว ถ้าเวลาเรารู้ลมหายใจนะจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ลมหายใจนี่เป็นสมถะกรรมฐานนะมิปัสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเวลาเราดูท้องผองยุบจิตไปจับอยู่ที่ท้องเฉยๆนะเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเป็นวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นเท้าแล้วก็เป็นสมถะกรรมฐานนะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นมิปัสนาจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องถอนตัวออกจากโลกของความคิดให้ได้ นะจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยที่ครับชายศิทธทานนึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยฝึกมานะจิตตั้งมั่นขึ้นมาวิธีที่พวกเราจะฝึกควรจะฝึกยิ่งพวกเราเป็นนักบวชเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือกดูกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียนแบบกันทางใครทางมันนะ ทางไข่ทางมันใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดรู้ท้องผองยุบก็รู้ท้องผองยุบนะใครจะยกเท้าย่างเท้าก็ทำได้ทางนั้นใครจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้เหมือนเหมือนกันหมดนะไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกนะแต่ว่าไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือจิตมันถึงชื่อจิตศิกขานะสิ่งที่เราเรียนรู้คือจิต เช่นเราพุทโธพุทโธแล้วเราต้องคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไปเพ่งความนิ่งความว่างรู้ทันรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยฟุ้งซ่านนะเป็นอกุศลตรงที่ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นการทําสมถะกรรมฐานนะเป็นกุศลนะแต่ไม่เกิดปัญญานะ ดูท้องพองยุบก็เหมือนกันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งที่ท้องรู้ทันให้คอยรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตสิกขาถ้าไม่มีการรู้ทันจิตไม่มีจิตสิกขาจะไม่มีการพัฒนาจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยจิตจะหลงไปถ้าไม่หลงไปคิดก็หลงไปเพ่งจิตที่หลงไปคิดเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึกไม่ใช่การคิดวิปัสสนาเพราะเห็นจิตที่ไปเพ่งอารมณ์นะทำวิปัสสนาไม่ได้ เห็นรูปเห็นนามได้แต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเวลาที่เราเพ่งกายนะร่างกายก็จะนิ่งเวลาเราเพ่งจิตจิตก็จะนิ่งไม่ว่าเพ่งอะไรมันก็นิ่งไปหมดเลยนะมันจะไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูหรอกเพราะฉะั้นสิ่งที่ทําให้เราเจริญวิปัสสนาไม่ได้ก็คือจิตที่หลงไปคิดอันนึงจิตที่หลงไปเพ่งอันหนึ่งให้เราคอยรู้เราทํากรรมฐานเราคอยรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบ ถ้าจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันถนัดหายใจก็รู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันตรงที่หนีไปคิดนั่นก็เป็นอกุศลไปตรงที่ไปเพ่งก็เป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลที่ไม่เกิดปัญญานะแล้วสงบไปอย่างเดียวการที่เราคอยรู้ทันจิตบ่อยๆว่าจิตมันเคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งเวลาเพ่งก็เคลื่อนนะ อย่างเรารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจก็เคลื่อนเวลาดูท้องผองยบจิตเคลื่อนไปที่ท้องก็เคลื่อนดูเท้าจิตเคลื่อนไปที่เท้าก็เคลื่อนบางคนเคลื่อนเลยเท้าลงไปถึงพื้นเลยรู้ไปรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไม่จำเป็นต้องรู้นะเพราะว่าไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราเห็นมมันเกินไปมันเกินกายเกินใจนี่ออกไปย้อนกลับเข้ามาดูกายดูใจของตัวเองให้ได้ งั้นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปนะจิตที่เคลื่อนนั้นอะเคลื่อนด้วยอำนาจของอุทัศจะเป็นตระกูลโมหะนะจิตที่เคลื่อนไปถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาตั้งมั่นนะจิตที่ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาตั้งมั่นเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะควรแก่การงานจิตจะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืบไม่ทือ นะแต่ถ้าเราอยู่ๆเราไม่ได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะเราบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนจิตจะแน่นปึ๊กเลยนะจะแน่นมากเลยเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยยังมี2ชนิดนะผู้รู้ที่ถูกเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ที่ผิดเนี่ยจะเพ่งเอาไว้แน่นๆทำแล้วอึดอัดนะยิ่งทํายิ่งเครียดนะยิ่งทำแล้วผิดนะอย่างนั้นฉะนั้นเราบอกว่ารู้ตัวรู้ตัวเนี่ยบางคนรู้ตัวนะทำอย่างนี้นะเนี่ยรู้ตัวทำอะไรแข็งไปหมดเลยนะมันรู้ไหมรู้ แต่ว่ามันรู้ผิดธรรมดานะั้นต้องรู้ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงให้ได้วิธีจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงให้ได้เขารู้ทันนะอาศัยสติแหละคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนไปคิดรู้ทันเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันนะถ้าฝึกอย่างนี้มากๆจิตจะตั้งมั่นตรงเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นทีลักขณะทีลักษณะนะสมาธิเราที่เราได้ น, นี่จะเป็นคณิกาสมาธนะิใช้ทํำวิปัสสนาได้นะ ถ้าคนไหนรู้สึกตรงนี้น้อยไปก็ทําฌานที่ถูกต้องนะทำฌานที่ถูกต้องอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไม่เคลื่อนไปที่ลมนะจิตจะเป็นแค่คนดูลมอยู่นะจิตจะค่อยละเอียดค่อยประณีตนะอย่าจงใจให้สงบถ้าอยากสงบจิตจะไม่สงบจิตจะอึดอัดต้องหายใจสบายๆเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายนะมีความสุขถึอองอจะมีสมาธิหายใจสบายนะพอใจสบายเนี่ยลมหายใจจะตื้นขึ้นเรื่อยๆตื้นๆมาหยุดอยู่ที่จมูก แล้วมันจะแปลสภาพเป็นแสงตัวลมหายใจนะเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะตรงเป็นกลายเป็นแสงแล้วไม่มีลมหายใจนะเรียกว่าอุข า, านิมิตถัดจากนั้นเราจะเล่นได้นะกำหนดให้แสงเนี่ยกว้างขวางออกไปหรือเล็กเท่าปลายเข็มเลยแสงมันจะเข้มมากเลยนะนเวลามันเล็กลงมาเนี่ยเข้มมากเลยเราเล่นอย่างนี้นะมีวิตกคือการตรึกในแสงนะมีวิจา ร, คราเคล้าเคลียรอยู่ในแสง นะจิตจะมีปีติมีความสุขขึ้นมามีความเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนโดยไม่ได้เจตนาบังคับจิตจะได้ปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยจิตยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะต้องมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตมันเคลื่อนไปที่แสงเนะี่ยต้องรู้ทันจิตที่เคลื่อนใช้หลักเดียวกันตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงนะวิตกวิจารจะดับพอวิตกวิจารดับเนี่ยในพระใจปิดกท่านพูดถึงเอโกที่ภาวะ บอกว่าในทุติยชาตในชาตที่สองนะเกิดเอโกที่ภาวะขึ้นมาคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะของผู้รู้นั่นเองจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อมันหลุดออกจากโลกของความคิดการตรึกการตรองในอารมณ์ได้นะมันจะถอยตัวออกมาเข้ามาอยู่ที่ตัวของมันเองจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมานะชาตที่สามสี่ห้าหกเจะดแนัก็ยังมีตัวรู้อยืนอยู่นะในชาตที่8เนี่ยตัวรู้เนี่ยจะจางมากเลยเกือนบะจะไม่รู้สึกตัวเลย ละชา ต, ติาต่างๆนี้ยังรู้สึกอยู่พอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ได้หลายวันนะจะเด่นได้หลายวันไม่เหมือนที่เราทําคณิกาสมาธิจิตเคลื่อน ร, รู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยไม่นจะอยู่ได้เป็นขณนะขณะถ้าพวกเราทําชานไม่ได้นะก็จําเป็นต้องใช้วิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนไ ป, นะปนแล้วก็ได้สมาธิทีละนิดทีละนิดทีละนิดฝึกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเราตื่นขึ้นมานะ จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตื่นนะตรงนี้เราเตรียมความพร้อมของจิตที่จะเจริญปัญญาแล้วเมื่อเราเตรียมความพร้อมได้เราก็มาถึงบทเรียนที่3เรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาไม่ใช่การคิดเอานะเพราะปัญญาจากการคิดไม่ใช่วิปัสนาปัญญาปัญญาสิกขาเนี่ยเป็นปัญญาจากการเห็นความจริงของรูปนามกายใจคือเห็นไตรลักษณ ก่อนที่เราจะก้าวมาสู่การทําวิปัสสนาได้นะเราต้องมีปัญญาในขั้นต้นๆก่อนปัญญาขั้นต้นเนี่ยเรียกว่าการแยกรูปแยกนามนะบางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกแยกธาตุแยกขันธ์ความจริงก็คือนามรูปปริเฉถญาณแยกรูปกับนามออกจากกันให้ได้นะถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะแยกรูปกับนามไม่ได้นะแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ยากเลยนะ ที่รูปนามจะแยกออกจากกันร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตจะเป็นคนดูอันตโนมัติเลยมันจะแยกได้อย่างรวดเร็วอันนี้หมายถึงคนซึ่งเคยสะสมบารมีในทางเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆเพราะจิตตั้งมั่นถึงฐานอย่างแท้จริงนะขันจะแยกตัวออกไปเลยขันจะแตกกระจายออกไปนะถ้าขันไม่แตกเจริญปัญญามยากนะทาไม่ได้ง่ายหรอก ขันแตกออกไปเราจะเห็นในรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะความสุขทุกข์ส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่อีกส่วนหนึ่งคละอันกันขันมันแยกออกเป็นส่วนส่วนส่วนการแยกขันเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะทํำลายล้างความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอย่างตอนนี้เรารู้สึกตัวเรามีจริงๆรนะิเพราะอะไรเพราะขันห้าไก่ น, 5, นี้ใจนี้นะมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เรามีสัญญาเข้าไปหมายผิดๆว่านี่คือตัวเราตัวเราแต่ถ้าขันแตกออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นหนึ่งขันแต่ละขันจะไม่เป็นตัวเราคล้ายๆอย่างมีรถยนต์หนึ่งคันเราเห็นว่ารถยนต์นี้มีจริงๆแต่ถ้าเราเอารถมาแยกนะถอดลูกล้อออกมาลูกล้อจะไม่เป็นรถยนต์และแม่ถอดตัวถังถอดพวงมาลัยถอดกันชนถอดเบรกถอดคันเร่งออกมานะถอดถังน้ํามันถอดสายไฟออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะไม่เป็นรถยนต์รถยนต์จะหายไป งั้นการที่เราจะมาแยกขันตัวเองออกเนี่ยนะเพื่อมาทำลายความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนี่บางคนแค่จิตตั้งมั่นปุ๊บขันแยกเลยนะถ้ามีบุญบา ร, รมีมาก่อนถ้าไม่มีก็ต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกนะก็ทำกรรมฐานอย่างที่เราทำนี่แหละนั่งไปหายใจไปหรือดูท้องพองยุบไปก็ได้แล้วค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดู ร่างกายมันพองจิตเป็นคนดูร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูอย่าให้มันไปเพ่งอยู่ที่ลมอย่าให้เพ่งอยู่ที่ท้องนะรู้ตัวสบายๆรู้มันทั้งตัวอย่างนี้แหละเห็นมันเคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นคนดูค่อยๆหัดสังเกตไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นในร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอนกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูคนละอันกันกายกับจิตต่อไปก็นั่งให้นานๆเอาให้เมื่อยไปเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิทธิบทตพอนั่งไปให้เมื่อยนะเราค่อยๆสังเกตลงไป ร่างกายเนี่ยมันตั้งอยู่ก่อนแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อยความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเพราะงั้นมันคนละอันกับร่างกายแล้วมันไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเราฝึกอย่างนี้นะเราจะแยกได้3ขันละมีรูปนะตัวร่างกายตัวความปวดเมื่อยเนี่ยเป็นเวทนาขันตัวจิตในตัววิญญาณขันค่อยๆหัดไปพอปวดเมื่อยแล้วนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถนั่งต่อไปอีกนั่งเอาไปให้มันทรมานมากๆไปเลยนะฝึก หัดที่แรกเนี่ยก็เราบุญบารมีน้อยเราก็ต้องอดทนเอาหน่อยคนอื่นเขาบารมีมากเพอเขาจิตตั้งมั่นขันเขาก็แยกของเรามันไม่แยกก็ต้องช่วยมันเนาะทนมัาหน่อยนั่งให้มันปวดไปเลยนะพอมันปวดมากๆแล้วใจมันเริ่มกระสับกระส่ายเราจะเห็นว่าความกระสับกระส่ายเกิดที่ใจความปวดอยู่ที่ร่างกายนะแต่ความกระสับกระส่ายอยู่ที่ใจเพราะนั้นความกระสับกระส่ายเนี่ยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกัน ความปวดเมื่อยก็ขนล่อ่นกันกระจิตใจก็ขนล่าอ่นกันจิตทีแรกไม่กระสับกระสายเพิ่งมากระสับกระสทีหลังนี่เราแยกได้อีกขันหนึ่งแล้วนะตัวนี้เรียกว่าสังขารขันส่วนสัญญาขันนะปล่อยไว้ก่อนเพราะพวกเราสัญญาวิปาัาสนาะผู้ทุชนสัญญาวิปนะัสสนาอยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะามันให้เรียนรู้ความจริงไปก่อนแล้ววันหนึ่งสัญญาหายวิปาัาสนาะได้โสดาได้อะไรขึ้นมานั้งก็หายวิปัสสาไปเองสัญญาวิปัาสคือการหมายรู้ผิด เราหมายรู้ของไม่สวยไม่งามนะว่าสวยว่างามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนนะว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันวิปรัสดอยู่เพอหมายรู้ผิดนั้นก็มีจิตวิปรัสดนะคิดผิดๆคอยคิดผิดแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปรัสดเกิดความเห็นผิดๆนะวิปรัสดตามมาเป็นแถวเลยนะเพราะตัวนี้แขวนมันไว้ก่อนแล้วพามันมาดูของจริงแยกมันได้สี่ขันก่อนก็พอเหลือเฟือละ พอแยกขันได้แล้วเราค่อยดูนะใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาเป็นหลักเวลาดูกายเราเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าถนัดดูเวทนาเป็นหลักเราก็เห็นเวทนานัเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูถ้าถนัดดูจิตดูใจเราก็ดูสังขารเป็นหลักเช่นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใจเป็นคนดูถ้าชำนี้ชำนาญจริงนะจะเห็นตัวจิตเองก็เกิดดับแต่เกิดดับทางถาวรทั้ง6 นะจิต ท, ที่ไปดูก็ดวงหนึ่งจิต ท, ที่ไปฟังก็ดวงหนึ่งจิต ท, ที่ไปคิดก็ดวงหนึ่งนะอะไรก็ได้นะในกรรมฐานเนื้อเบื้องต้นเอาสักอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ต้องมีจิต ท, ที่เป็นคนดูทํากรรมฐานรู้กายนะมีจิตเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา นะกลายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอันนี้จะเห็นเ now นะไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเ n าไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นเ n o นะถ้าถนัดดูเวทนาเราก็ดูไปเวทนาในกายก็ได้เวทนาในใจก็ได้นะเวทนาที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะอยากแนะนําให้ดูคือเวทนาในใจนะเวทนาในใจนี่เปลี่ยนเร็วมากเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆยนะเราคอยดูไปใจเป็นคนดูนะ เราก็จะเห็นเลยเวทนานะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะกระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขกระทบอารมณ์ไม่พอใจก็มีความทุกข์กระทบอารมณ์ไม่ชัดเจนก็เฉยๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเวทนานะมันเกิดได้เองเราสั่งมันไม่ได้อย่างเราสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่เชื่อเรานะเราห้ามมันทุกข์มันก็ไม่เชื่อเรานะมันเป็นไปเองมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เราเกวเห็นอนัตตาแล้วเราก็เห็นเวทนาเนี่ยเกิดดับได้นะ เราจะเห็นในความสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายไปเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปนี่เรียกว่าเห็นไม่เที่ยงรูปธรรมนี่จะแสดงทุกขังกับอนัตตาได้ชัดนะรูปนี่จะแสดงทุกข์กับอนัตตาชัดส่วนนามธรรมนี่จะแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดนะนามธรรมมันเปลี่ยนเร็วรูปธรรมมันเปลี่ยนช้ากว่าน้ำนะงั้นเราดูถ้าเราดูนามธรรมนี่เราจะเห็น erte, มันเปลี่ยนตลอดเวลานะดูอนิจจัง นะหรือแม่ก็ดูอนัตตาว่ามันเปลี่ยนได้เองเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะทางใครทางมันใครถนัดดูกายเอากายเป็นหลักแต่มีใจเป็นคนดูใครถนัดเวทนาก็เวทนาเป็นหลักก็มีใจเป็นคนดูแต่เวทนาเกิดที่ไหนเกิดที่กายก็ได้เห็นไหมเกิดที่ใจก็ได้มันจะไม่ได้รู้แต่เวทนากระใจหรอกจริงๆแล้วไม่ว่าจะทํากรรมฐานด้วยวิธีใดจะรู้ขันทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่รู้ขันแค่นั้นหรอกไม่ใช่รู้เฉพาะกาย ถ้ามีกายแล้วรู้เฉพาะกายก็คือพวกเพ่งกายนะแต่จริงๆแล้วจะเห็นขันทั้งหมดเลยหรืออย่างพวกที่ดูจิตดูใจก็เห็นขันทั้งหมดนะจิตเราเปลี่ยนเพราะอะไรจิตเราเปลี่ยนเพราะตาเห็นรูปจิตเราเปลี่ยนเพราะหูได้ยินเสียงนี่เพราะอะไรเพราะรูปนะพราะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วไม่เห็นรูปจิตเราเปลี่ยนเพราะว่าตามองเห็นเพราะหูได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นเพราะริ้นได้รสเพราะกายกระทบสัมผัสจิตมันก็เปลี่ยนไหมเพราะเราเห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงนะ ถ้าเราชำนิชำนาญขึ้นเราจะรู้เลยมันไม่ได้เปลี่ยนลอยๆหรอกมันมีเหตุเหตุมันมาจากการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือกระทบอารมณ์ทางใจเองตรงๆเลยก็ได้กระทบอาศัสายสัญญาผุดขึ้นมานะจิตก็ปรุงต่อเช่นเรานึกถึงแม่ชีพรธรรมนึกถึงตอนนี้ก็โอ้ดีอย่างน้อยยีนี้ไปนึกถึงตอนดึกๆนะเกิดได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมข้นมาไม่ได้นึกแล้วปรับรื้มใจแล้วคราวนี้ใจกลัวขึ้นมาอย่างนี้ เนะนี่ยใจมันสั่งไม่ได้นะดูของจริงเข้าไปกระทบอารมณ์นะอาศัยสัญญานะเราก็ปรุงขึ้นมาก็ได้นะบางทีไม่ได้เจตนาจะคิดนะเราก็คิดถึงคนคนหนึ่งหน้าของคนนี้ลืมมันไป10ปีแล้วหน้าคนนี้มันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเราเกลียดมันเลยก็มีนะโกรธมันยังจําได้คนนี้โกงแชร์เราสมมุติอย่างนี้นะเกลียดมันขึ้นมาหรือรักมันขึ้นมาอีกเนี่ยอาศัยสัญญานะั้นก็มาปรุงสังขารได้ อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสพลัธภานะก็ามาปรุงสังขารปรุงจิตปรุงใจเราได้อีกนะงั้นถ้าจะดูจิตดูใจนะไม่ใช่ดูเห็นแล้วเห็นแต่จิตนะมันเห็นหมดนั่นแหละนะทั้งกายทั้งใจงั้นถ้าฝึกไปจนชำนิชำ น, น, น, นาญมันจะเห็นว่าขันทั้งหมดนะไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะจะเห็นว่าขันทั้งหมดไม่มีตัวเราที่ไหนเลยจะไม่สงสัยหรอกว่าการปฏิบัตินะมีทางเดียวหรือ หลายคนที่ภาวนาไม่เป็นนะจะคิดว่าการปฏิบัติมีแต่ทางของเราเท่านั้นทางอื่นไม่มีถ้าถนัดดูกายต้องดูกายเท่านั้นไม่ดูกายไม่ได้พวกถนัดดูจิตที่ต้องดูจิตเท่านั้นไม่ดูจิตไม่ได้ดูกายแต่ใช้ไม่ได้คิดอย่างนั้นพวกนี้ยังภาวนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาเป็นจริงๆมันเหมือนเราขึ้นยอดเขาได้แล้วนะพอเราขึ้นถึงยอดเขาเนี่ยเราหมุนไปรอบตัว360องศาเนี่ยเราจะเห็นทางขึ้นเขาทั้ง4ทิศเลยนะ นั้นจะมาทางกายก็ได้นะทางเวทนาทางจิตทางธรรมมาได้ทั้งหมดเลยนะในสติปัฏฐานเนี่ยเราเราจเริญปัญญาได้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกันไม่ใช่เบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตนะเข้าใจผิดแล้วถ้าจะพูดให้ถูกกับเบื้องต้นทุกคนต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนให้เป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนทุกคนต้องดูจิตเบื้องต้นนะพอดูจิตจนจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยแหละตามถนัดแล้วคราวนี้ถนัดดูกายก็จะเห็นกายกับจิตไม่ใช่เรา ถนัดดูเวทนาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตไม่ใช่เราถนะัดรู้สังขารก็เห็นมันหมดละว่ามันไม่ใช่เรานะงั้นต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะพอจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายก็เห็นกา ย, กา ย, กายแสดงไตรลักษณ์สติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์สติระลึกรู้จิตก็เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์สติรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายเห็นมันแสดงไตรลักษณ์นะ เั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เห็นกายเห็นใจไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามนะแต่เห็นไตรลักษณ์ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์นั้นเห็นสิ่งเดียวกันมันถึงเข้าไปสู่ธรรมะอันเดียวกันนะพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นกระทั้งตัวจิตเองถ้าเราเห็นแต่กายเห็นแต่อารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงนะแต่จิตเที่ยงนะ ยังไปไม่รอดหรอกยังเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งนะต้องให้เห็นเลยทุกตัวไม่เที่ยงมันถึงจะรอดนะทุกตัวเป็นอนัตตาถึงจะรอดนะถ้ายังเหลือจิตสงวนจิตตัวรู้เอาไว้ตัวหนึ่งนะไปไม่รอดหรอก <S <s งั้นถ้าพวกเราพอนานะเราเห็นบอกว่าทํำวิปัสสนาอยู่เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามแสดงใจรักนะและสังเกตให้ดีถ้ายังเหลือตัวนิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งนะตัวดูที่นิ่งๆอยู่แสดงว่ายังทําไม่เป็นหรอกจิตยังไม่ถูกต้องหรอกนะ งั้นต้องระมัดระวังมากนะนักปฏิบัติจะพลาดตัวนี้เยอะเลยจับเอาตัวนิ่งๆิ่งไว้ตัวหนึ่งนะโลกจะถล่มทลายไอย้ตัวนิ่งนี้ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนะกลายเป็นว่าตัวนิ่งนี้เที่ยงตัวนิ่งนี้เป็นอัตตานะงั้นต้องค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตนะงั้นถ้าพวกเราค่อยๆฝึกมาตามลําดับนะมีศีลสิกขามีจิตสิกขามีปัญญาสิกขามาตามลําดับเนะี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญาที่แท้จริงมันเกิด เบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมนามธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราขัน5้าไม่ใช่ตัวเรานะอายตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะได้ธรรมะเบื้องต้นได้ขั้นพระโสดาบันถัดจากนั้นทําอย่างเดิมนั่นแหละนะดูกรรมฐานอะไรก็ดูไปดูแสดงไตรลักษณ์ไปด้วยนะถ้าดูดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยนะเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อน ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไหมทําความสงบอะไรไม่เป็นนั่งหายใจไปรู้สึกไปดูท้องพองยุบรู้สึกตัวไปอย่าให้หลงเท่านั้นแหละอย่าให้ขาดสติรู้สึกเอาอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเพ่งจ้องแรงๆเครียดใช้ไม่ได้แค่รู้สึกนะอย่าให้จิตมันโฟกัสลงไปจับลงไปแค่รู้สึกสบายๆนะงั้นดูจิตได้ก็ดูไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบไว้จิตจะมีแรงกลับขึ้นมาก็มาดูกายดูจิตต่อนะ วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละฝึกมากเข้ามากเข้าต่อไปปัญญามันเกิดจะเห็นเลยร่างกายจิตใจรูปนามกัน5ที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์เราจะเริ่มเห็นตัวกายนี้เป็นตัวทุกข์นะเพราะกายนี้มันแสดงตัวทุกข์ง่ายจะเห็นเลยตัวกายนี่ตัวทุกข์จริงๆเลยจิตจะคลายความยึดถือตัวกายออกนะเป็นภูมิธรรมที่ว่าไม่ยึดกายนะมันสลัดคืนร่างกายให้โลกได้นล้วมันสลัดออกได้นะแปลก สลัดออกพอมันสลัดออกกายออกแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกแล้วกายจะเจ็บไอ้ก้อนทุกข์มันเจ็บกายจะแก่ไอ้ก้อนทุกข์มันแก่กายจะตายไอ้ก้อนทุกข์กกกมันตายนะไม่ใช่เรานะไม่เดือดร้อนอะไรเลยตัวทุกข์ตายสมน้ําหน้ามันซี่อีกนะเนาะค่อยฝึกไปอีกถัดจากนั้นฝึกนะจิตมันจะเข้ามาที่จิตนะมันจะทิ้งกายแล้วนะมันทิ้งอารมณ์หลอกๆทั้งหลายนะเข้ามาที่กายแล้วมันทิ้งกายทวนกระแสเข้ามาที่จิตนะ แล้วมาดูต่อไปอีกปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะตัวจิตเองก็นั่นแหละตัวทุกข์ล่ะตัวบรลลมะมทุกข์เลยอยู่ที่ตัวนี้เองเนะมื่อแจ้งมาตัวจิตเป็นทุกข์นะสโลกธาตุนี้จะไม่มีที่ให้หยั่งลงไปเกิดอีกต่อไปละเพราะว่าไม่ว่าจะหยั่งลงที่ไหนก็เอาจิตไปเกิดนั่นแหละมีจิตหยั่งลงไปอีกก็เกิดอีกแล้วตัวจิตเป็นตัวทุกข์ซะแล้วจะไม่เกิดแล้วนะนะที่สุดของทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามันสลัดคืนจิตให้โลกได้นะมันคืนได้จริงๆนะค่อยๆฝึกไป ฝึกนะฝึกงั้นทําให้ได้ให้ครบนะศีลษะศีรขาตั้งใจไว้ก่อนต่อไปก็มีสติรู้ทันเวลากิเลสมันเกิดมันจะได้ไม่ครอบงําจิตศีลมันจะได้เกิดอัตโนมัติต่อไปก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นโดยการทรํา ก, กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทำแล้วเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์แต่ทํากรรมฐานเพื่อจะรู้ทันจิตนะเช่นพองยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้นะ พุโทโธหรือหายใจก็เหมือนกันจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตมันจะเคลื่อนทั้งหมดเลยนะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งจิตเคลื่อนทั้งนั้นเลยพระรู้ทันจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยไม่ได้บังคับนะจิตจะมีความเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแกการงานไม่มีราคาโทสะโม oh หะส่วนจิตที่บังคับไว้อืดอัดนะเป็นจิตที่เจือด้วยโทสะนะถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วอืดอัดต้องรู้นะว่าจิตดวงนั้นเป็นโทสะมูลจิต ต้องหยุดทันทีเลยถ้าภาวนาแล้วอึดอัดเนี่ยทำผิดแน่นอนเลยนะแทนที่จะได้กุศลนะก็ได้อาภุศณขึ้นมาเนะี่ยพอฝึกจิตจะทั้งมันเป็นคนดูได้แล้วก็แยกขันนะแยกธาตุแยกขันไปดูกายดูเวทนาดูสังขารดูอะไรมันทํางานไปเรื่อยแล้วดูแล้วจะเห็นอะไรเห็นทุกอย่างนั่นแหละแสดงไตรลักษณนะ์ดูกายก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นใจรักนะก็เรียกว่ามีปัญญาที่แท้จริงละมีวิปัสนาปัญญาละจิตจะปล่อยวางนะรู้จริงเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่า ย, ยเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นนะแล้วเป็นอัตโนมัติมันหลุดจริงๆนะเพราะเราต้องฝึกนะอย่าให้เสียชาติที่เราเกิดมาแล้วในแวดวงพระพุทธศาสนานะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะเทศยาวไปไหมเนี่ยเลยเวลาเผาละ ไม่เป็นไรนะอเอาเท่านี้นะ ต, ต่อไปก็เชิญจะทำอะไรก็เชิญ